พัฒนาในพื้นที่ของบุรีรัมย์โดยเฉพาะที่ที่สูงเนินกระสังนีเมื่อเมื่อ20ปีมาแล้วนะนะตั้งแต่ท่านหลวงพ่อท่านยังอยู่วัดเก่านะเรานำโครงการซิปเนะี่ยโครงการซิปกองทุนชุมชนมาพัฒนาศูนย์เด็กนะที่ที่วัดป่าตะคงใต้จนบัดนี้นะก็แสดงว่า รู้จักนะประสานงานกับทางพระคุณเจ้ากันมายาวนานนะครับใ น, ในเครือข่ายเพราะฉะนั้นนี่ได้ได้เห็นกิจกรรมการบรรพชานะของพระภิกษุษสามเนณรนะรวมทั้งแม่ชีนะครับแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมในวัดพนมดินสุวรณารามเป็นเป็นครั้งแรก ก็ชื่นชมและให้การสนับสนุนนะครับในในนามของมหาวิทยาลัยก็ดีในนามของภาคประชาสังคมนะครับในในจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆแล้วกิจกรรมการสืบทอดพุทธศาสนาด้วยการบวชเรียนนะครับเป็นในการปฏิบัติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากนะครับนะ ที่จะทำให้สิดเข้าพุทธศาสนาได้นะผมเคยเดินทางท่องไปที่อินเดียเมื่อ20ปีก่อนนะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งอินเดียนะครับได้ไปเห็นการพัฒนาการของศาสนาต่างๆโดยเฉพาะที่อินเดียนะ ศาสนาพูดเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับแล้วก็เสื่อมลงนะก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าจริงๆก็เห็นสอดคล้องกับนักวิชาการหลายๆคนว่าเราจะให้พระพิสุสงฆ์อย่างเดียวในการที่จะจันรลงศาสนานี้คงคงจะทำไม่ได้คงจะต้องมีทั้ง ญาติโยมประชาชนรวมทั้งบ้านเมืองด้วยนะครับนะระบบการปกครองนะการบ้านการเมืองนะที่ที่อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างมากนี่ถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนะครับนะเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยนะบางสมัยก็ ในส่วนของกษัตริย์ในส่วนของผู้ชนชั้นนำเนี่ยก็นับถือศาสนาฮินดนะูก็จะมีผลนะต่อการไปนับถือนะปฏิบัติของประชาชนในบางยุคอย่างเช่นยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยท่านนับถือศาสนาพุทธเราก็จะเห็นว่าศาสนาพุทธนี่รุ่งเรืองถึงขีดสุดใช่ไหมพระคุณเจ้า ที่อินเดียนะเรารู้จักกันในนามของเสาอโศกเนี่ยนะท่านหลวงพี่แสงจังนทร์คงไปเห็นมาแล้วนะท่านไปสังเวชนีนะครับเสาเสาอโศกนี่เป็นสัญลักษณ์ของของเป็นตราแผ่นดินของอินเดียด้วยนะทั้งที่อินเดียเนี่ยก็เป็นฮินดูเพราะว่ากษัตริย์นับถือศาสนาพุธทธธนุบำรุงมากนะครับ แต่ในบางยุคก็เป็นอิสลามนะฮะของอินเดียนี่นะครับก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในในในสังคมบ้านเรานี่ <c oughs> ที่ ท, ที่ที่บอกไว้แล้วครับว่าของเรานี่จะศา ส, สนาจะดำรงอยู่ได้ไดต้องมีญาติโยมด้วย <c oughs> ถึ ง, ถ, งถึงมีแนวคิดบวรไงท่าน บ้านวัดโรงเรียนต้องต้องเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับต้องเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับอาจารย์ชมพูเดี๋ยวขอด้ำอุ่นๆมาหนะนะ่อยฮะมี ม, ม, มีน้ำอุ่นให้หนึ่นะ <c oughs> มันจะมีโครงการที่พัฒนาเนี่ยนะครับโครงการบ้านวัดโรงเรียนเราจะเห็นว่ามีการดึงพระสงฆ์เนี่ยไป พัฒนาชุมชนนะครับลงไปศึกษาปัญหาในในชุมชนจริงๆแล้วในชุมชนอของบ้านเรานี่มีปัญหามากมายท่านจะเห็นว่าปัญหาหนักหน่วงเลยก็คือปัญหาโง่จนเจ็ดเนี่ยนะครับการศึกษามีน้อยนะครับ แต่เราก็ให้บุตรหลานเรามาบวชเรียนมาศึกษาได้นั่นก็เป็นทางออกหนึ่งความยากจนปัญหาหนี้สินนะครับเราก็มีหนี้มีสินเนี่ยถึงแม้จะมีโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาอาชีพต่างๆมีบัตรสวัสดิการแต่ก็ แก้ได้ระดับหนึ่งนะครับแก้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราอาจจะมีกลุ่มออมรับอะไรต่างๆจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ในหลายที่เนี่ยมาเป็นแกนนำของของกลุ่ม อ, อมรับอย่างเช่นพระมหาสุ บ, บินอยู่ที่จังหวัดกลาพระเนี่ยมาเป็นแกนนำให้ชาวบ้านเนี่ย อ, อมเลยเพื่อจะออกไปแก้ปัญหา นี่สินคนคนยากคนจนเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพระนะครับเข้าใจปัญหาชุมชนออกไปร่วมชุมชนชุมชนมาเกื้อหนุนวัดมันก็จะอยู่ได้วันนี้เลยมามาชวนให้ให้คิดนะครับว่าทำไมในในพระแถวบ้านเรานะเป็นเครือข่ายพระนักปฒนาทิ่าน หลวงพี่แสงจันทร์หรือท่านหลวงพ่อเนี่ยนำชุมชนออกไปเข้ามาที่วัดแล้วเอาวัดเข้าไปใกล้ชุมชนเพราะเราตระหนักว่าทั้งสองส่วนนี้ต้องต้องพึ่งพากันนะครับแล้วเราทำงานกันมา2ี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ก้กาวหน้ามาโดยลำดับแล้วก็จะทำต่อไปนะเ ค, ครือข่ย ประสงเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็คือพระสงค์ไปเกื่อนหนุนชุมชนชุมชนก็ามาเกื่อนหนุนวัดนะครับแล้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทีทเเ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องการศึกษา น, นะครับนะที่ที่บุตรหลานของเรานะครับในส่วนของพี่น้องเนี่ย หลุดออกจากวงจรการศึกษานี่เราจะเห็นว่าบรรดาวัยรุ่นบรรดาเยาวชนเนี่ย ถ, ถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ความก้าวหน้าในในอาชีพนะครับในการงานเนี่ยจะด้อยเพราะสังคมเรานี่วัดกันด้วยปริญญาใช่ไหมท่านนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราส่งเสริมให้บุตรหลานเราเนี่ยอย่ารุดออกจากระบบโรงเรียน อย่างน้อยต้องเรียนไปจนถึงปวชหรือระดับมัธยมเขาก็จะพอทำมาทำงานได้ทำอย่างไรล่ะครับนะการบวชเนรพากฤือร้อนหรือเอาเนนมาเรียนในโรงเรียนปริญญาตร์แล้วก็มรเรียนสายสามัญเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะครับนะที่ที่หลวงพี่ทำเนรถือว่ามีคุณุ ป, ปการมากเพราะ ถ้าท่านเรียนไปนะถึงระดับอนุปิญญาปริญญาแล้วท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่พระเดชพระกุณเจ้าทุ่มเทให้เนี่ยเป็นความหวังดีอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านเรียนไปจนถึงระดับปริญญาท่านจะรู้นะเราจะเห็นว่ามีหลายคนที่บวชเรียนประสบความสาเร็จอย่างชั้นอาจารย์ชมภูเนี่นะครับ เป็นคนยากคนจนแต่ว่าอาศัยบวชเรียนเรียนทั้งวิชาปริยัตวิชาสามัญจนเป็นจบปิญญาโทมาจากอินเดียทางด้านภาษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ในมหาวิเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งรองคณะบดีก็เติบโตก้าวหน้าเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเราไปทาง บวชเรียนเนี่ยก็ไปชีวิตก็ไปได้สุดเหมือนกันและในทางปริยัติท่านยังได้ถึงป ร, ริยันเจ็ประโยคนะครับก็ถือว่าเป็นผู้รู้ทางทางภาษาในในมหาวิทยาลัยใมีอาจารย์หลายท่านได้ป ร, ริยันเก้านะอาจารย์ชมพูใช่ไหมมีต้อง 3-4 คนนะฮะที่ได้ป ร, ริยนเ้า แล้วลาศึกษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์นะครับนะเพราะนั้นก็ไม่ไม่อยากให้ท้อถอยนะครับการคนที่เราศึกษาเนี่ยถือว่ามาได้ถูกที่ถูกทางแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระสงฆ์นี่ก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนะตอนนี้นี่เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเรามาถึง 4G 5G นะการที่เราใช้โซเชียลมีเดียในการเยผยแพร่ผู้ศาสนาเนี่ยควรจะกระทำนะเพราะว่าวัยรุ่นหรือพวกคนรุ่นใหม่ในส่วนใหญ่จะดูแต่มือถือแล้วใช่ไหมท่านเราดูที่พาะเนนนะเพราะนั้นเวลาเราไปสอนออกวิทยุทีวี ก็จะได้เป้าหมายคือกลุ่มคนแก่คนสูงอายุ <c oughs> มันไปไม่ถึงวัยรุ่นท่านก็จะเห็นว่ า, าในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะในส่วนของพรรคการเมืองี้เริ่มใช้โซเชียลมีเดียครับาะเขารู้ว่าบางครั้งไปใช้สื่อแบบเก่านี่มันไปไม่ถึงคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเขาไม่ดู ก็ต้องมาใช้โซเชียลมีเดียเพราะนั้นในทางพระทางเจ้ามีความจำเป็นนะจะต้องใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ธรรมะนะซึ่งผมสนับสนุนนะเพราะเวลาเราดูโฆษณานะครับนะมีคลิปสั้นๆอะไรต่างๆนที่วัยรุ่นเขาดูในในมือถือเนี่ยส่งทาง a อ p พลิเคชัน Line หรือ Facebook Messenger หรือทว i t t e ออะไรต่างๆจะมีคลิปสั้นๆโฆษณาสินค้าบ้างนะหรือว่าโฆษณาแนวคลิปอะไรต่างๆแล้วท่านจะดูได้ตลอดเวลาเลยแต่ทางธรรมะนี่ยังน้อยอยู่นะครับมีพระคุณเจ้าบางรูปใช้อยู่ทำนะคลิปสั้นๆแต่ยังยังไม่หลากหลายนะ ถ้าแต่ละท่านเนี่ยนะครับสอนนะครับเวลาไปสอนไปสวดมนต์ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วท่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับนะท่านถ่ายทอดท่านเผยแพ่กิจกรรมคนก็จะดูทั่วอย่างวันนี้ท่านทำกิจกรรมสวดมนต์ท่านสวดมนต์เย็นเนี่ยนะฮะผมลองเฟซบุ๊กไลฟ์นะฮะ ตอนที่ท่านกำลังทำกิจกรรมมีคนเข้ามาชมมากนะหลวงพอ่อนะฮะมาสาธุมากบางคนนี่อยู่ถึงต่างประเทศก็รับรู้นะเพราะมีมีเพื่อนอยู่อเมริกายุโรปหลายๆที่เขาเห็นเขาก็มาสาธุเพราะฉะนั้นนี่โซเชียลมีเดียนี่สำคัญนะที่ท่านพระมหาแสงจันท่านท่านใช้ หลายๆท่านใช้เนี่ยมีประสิทธิธภาพสูงนะนะเพราะว่าผมติดตามกิจกรรมของท่านจากที่ถ่ายทอด a c e b o o k live ที่อยู่ตลอดเวลาจะจะเห็นนะว่าท่านทำกิจกรรมอะไรนะเพราะฉนั้นอย่ให่าหญ่ลลืมเพราะหลายๆท่านเนี่มีมือถือแล้วก็มีการใช้มือถือในการเผยแพร่ผู้ศาสนานสิ่งหนึ่งที่กำลังคิดกันอยู่ก็คือการ จะอบรมพระภิกษุหรือว่าในส่วนของญาติโยมมาใช้แอปพลิเคชันในการมาตัดต่อนะฮะมาทำคลิปสั้นๆได้ยังไงเนี่ยนะก็ฝากไว้นะน่าจะมีการอบรมนะพระคุณเจ้านะท่านวิทยกรท่านท่านหลวงพ่อนะเอาวิทยกรมาอบรมการทำคลิปเผยแพร่พุทธศาสนาอะไรเนี่ยนะ การถ่ายทาก็จะดีมากเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็ทำนะอบรมกันอยู่ผมเห็นนะเขาอบรมไม่ว่าจะเป็นแวดวงขององค์กรภายในกระชนก็ดีหรือาศาสนาอื่นนะเขาก็อบรมนะเขาก็อบรมกันไปไกลแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราทาจะเป็นสิ่งที่ดีมากก็นะผมถึงรี่เริ่มจากกับท่าน หลวงพี่พระมหาแสงจันทร์ทำกับพวกศิษย์เก่านะทำห้องสมุดขึ้นมาที่วัดบัวถนนนะเป็นห้องสมุดนะว่าจะทำเป็นห้องสมุดที่เผยแผ่ธรรมะด้วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องสมุดที่จะเผยแผ่ความรู้ประกอ บ, บวิชาชีพให้กับชุมชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะคือเป็นห้องสมุด ดิจิตอลคือห้องสมุดที่เปิดบริการ24ชั่วโมงออนไลน์เนือไหมท่านเอาพัดไตปีดกเอาคอมพีเอร์เอาคลิปอะไรต่างๆไปแขวนไว้นะคนที่อยากจะไปสืบคน้นก็สืบค้นได้ตลอด24ชั่วโมงจากทั่วโลก <c oughs> ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้องสมุดดิจิตอลเรากำลังทำอยู่ที่วัดบัวถนนในห้องสมุดชื่อว่า ลูกศิษย์ลูกหาเขารวมตัวกันนะทำาพราะป่าทำเลยนะเป็นเป็นชื่อห้องสมุดด็อเตอร์นิรัน์กุลธานางชื่อผมนี่แหละที่จะทำเกิดขึ้นมาในฐานหน้าที่พัฒนาห้องสมุดเพื่อเพื่อเสริมสร้างผู้ศาสนาแต่ว่ามันจะ ต, ต้องเป็น <c oughs> ให้ทันสมัยนะครับตามตามแนว 4.0 ก็คือว่ามันต้องอยู่ในโลก ออนไลน์น่ยท่านออนไลน์แล้วบางท่านอาจจะยังยังไม่เข้าใจมากนะว่าออนไลน์เนี่ยบางครั้งมันลบ ก, กวนสมาธิไม่อะไรไหมเราจะเห็นว่าพระดังๆหลายรูปผลิตคลิปผลิตออนไลน์ตลอดเวลาท่านเห็นไหมฮนะท่านวอว่าชิระเนี่ยนะ หลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับพระทิ่ระดับดังๆเก้าหน้าเนี่ยนะแม้แต่ <c oughs> หลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาลูกศิษย์ก็เอามาขึ้นออนไลน์หมดแล้วท่านเห็นไหมพุทธธาตทาํ <c oughs> าเป็นคลิปนะแล้วเผยแผ่ไปตามเฟซบุ๊กตามไลน์ตามอะไรต่างๆนะผมก็อยากจะเห็นกิจกรรมของ พระบ้านเราหลวงพ่อพระมหาสุวรรณนะฮะลุงที่พระแสงจันท์แล้วก็พระคุณเจ้าอีกหลายรูปที่ทํางานเพื่อชุมชนเนี่ยได้เผยแพร่ไปในโซเชียล น, นะเราเนี่ยผลิตคลิปให้ท่านบรรยายสั้นๆแล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซนนไหครับนะเผยแพร่ไปตามลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมันก็จะกระจายไป นะกระจายไปหลักคําสอนกระจายไปท่านอาจจะเริ่มเห็นนะมันมี Facebook ของวัดป่าตะคลองใต้อาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างไม่เคลื่อนไหวบ้างนะเฟซบ o ๊กนั้นดูแลโดยฝ่ายสื่อของบ um นะุรีรัมฟอรั่มนะรู้ไหมครับก็คือกลุ่มพวกเรานะถ้าเราไปดูที่ Facebook วัดป่าตะคองใต้ที่มีกิจกรรมหลวงพ่อนะ นะบางครั้งก็มีพระคุณเจ้าไปลงบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าดูแลโดยฝ่ายสื่อของทีมงานของเรานะครับนะที่จะเชื่อมโยงนะเป็ น, เ ป, นเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปพระเนนอาจจะทำเองนะของวัดป่าพนมดินก็เห็นมี ม, มีเฟซขึ้นมาแล้วนะนะอาจจะมีท่านหลวงพี่หรืออะไรผักดัง มันมีความจำเป็นนะท่านนะเดี๋ยวนี้เพราะญาติโยมเวลาจะมาทำบุญทำทานบางครั้งค้นจากเฟซจากแผนที่เนาะบางครั้งมาไม่ถูกไนงะมาวัดไม่ถูกต้องมาทาง g o o g l e m a p ท่านนะส่งตำแหน่งไปแล้วก็ถึงมานะถึงมีความสำคัญไงเนี่ยถึงถึงฝากไว้นะครับว่า 4.0 นแล้วเนี่ย พระเนนบางครั้งต้องศึกษาปฏิบัติทางออนไลน์นะได้นะครับอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่เราอยากจะฟังคำบรรยายจากดาลายลามะนี่เราไม่เคยเจอตัวเลยเราก็ดูจาก YouTube เอาที่เขาบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าพาทางทิเบตนี่เคร่งมากนะท่าน <c oughs> มหานิกาย ถ้าท่านไปที่พุทธคยาเนี่ยนะเ จ, เจดีซึ่งทำเป็นที่ระลึกพระพุทธเจ้าตัสรูที่นั่นใช่ไหมฮะที่พุทธคยาท่านจะเห็นเลยว่าพาจากทั่วโลกสารพัดนิกายไปอยู่รอบๆไปปฏิบัติไม่ใช่มีแต่จากเมืองไทยจะเห็นพาคที่เบตมหานิกายเนี่ย ก้มกับอัสดางขับดิบนี่เหรครับนอนราบ ก, กับพื้นน่ะนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็นอนราบ ก, กับพื้นน่ะทำอย่างนั้นเป็นหมื่นหมื่นครั้งทั้งวันเพราะว่ายิ่งทํามากยิ่งในบุญบอกกั้นคนก็จะงงอยู่ว่าทำไมพระมาวิทพื้นอยู่แถวแถ ว, วข้างเจดีจริงๆมันไม่ใช่นะพระคุณเจ้าเป็นเป็นความเชื่อของเขาเป็นมหานิการและมีมหาวิเลยชัดเจนนะที่เบสอะ นะครับจะมาที่พุทธคยาแต่พระสงฆ์เราก็มีไทยเราก็มีวัดไทยอยู่ผมว่าไม่ต่มกว่า10วัดนะอยู่ที่รอบรอบพุทธคยานะครับนะเป็นแหล่งที่พุทธเจ้าตัสรุสําคัญมากนะมีความสําคัญมากที่สุดแล้วตัสรุนะครับนะที่ที่อินเดียนะแล้วก็มีพระญี่ปุ่นพระจีนก็ไปนะ จริงๆแล้วในชีวิตหนึ่งผมอยากจะเชิญชวนให้พระคุณเจ้าหรือท่านภิกษุณีพวกแม่ชีหรือว่าในส่วนของญาติธรรมได้ไปสัมผัสนะไปไปที่สังเวชนีและสถานท่านจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยังไงอยากอยากให้ไปเห็นนะครับ ตอนนี้ค่าเครื่องบินคงจะถูกแลยนะทพานคุณเจ้าตอนนี้เพราะมีแอร์เอเชียหรือหลายหแอร์เนี่ยบินตรงไปที่จากเมืองไทยนี่บินตรงไปที่กาฬาคตตาเมืองกาลกัตตานะครับบินข้ามพมา่าไปคนะ่าเครื่องบินคงคงไม่กี่พันนะคิดว่านะจากกาฬกัตานั่งนั่งรถไปต้องเหมารถนะครับรถบัสรถอะไรก็แล้วแต่นะี ไปประมาณสองรกิโลจะถึงเมืองขยาเมืองพุทธขยานะครับก็ต้องไปตรงนี้นะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะครับนะอินเดียนี่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากนะครับนะท่านนะลัดรัดหนึ่งนี่ประชากรเท่ากับเมืองไทยทั้งประเทศเพราะว่า เขามีหลายลัฐนะัเดิมนี่ประชากรเกือบ70ล้านนะท่านพออินเดียนี่มีประชากรพันล้านนะท่าน 1,000 กว่าล้านนะอินเดียมีอยู่4วันนะยากดีมีจนผสมกันจนที่สุดรวยที่สุดอยู่นั่นหมดนะครับนะแต่เขาบริหารได้ยังไงล่ะอินเดียนะตอนนี้ไีพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วก็บอกว่าในอีก 4ีปีข้างหน้าอินเดียจะเจริญทเท่าเท่ากับจีนถ้าเท่ากับจีนก็แสดงว่าจะแซงหน้าไทยแล้วท่าน <c oughs> นะนะมันคือมีมีความก้าวหน้าคนจนก็มีอยู่แต่ก็เริ่มลดน้อยลงเพราะเขามีนโยบายที่จะดูแลคนยากคนจนนะเพราะนั้นนีนะ่อยู่ในประเทศของเขานี่ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก มหาวิเลยมีอยู่ทุกเมืองวิทยาลัยด้วยแล้วพระสงฆ์นี่ในแต่ละนิกายมีมหาวิลลยเรียนถึงปิยเอก <c oughs> พู้ศาสนาก็มีของทิเบตก็มีเป็นมหาวิลยเอกเทศเลยนะครับนะหรือศาสนานิกายอื่นเขาก็มีมีเสรีภาพมากนะครับนะ เพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้ไปเห็นนะอยากอยากให้ไปเห็นถ้าเราไปเห็นเราจะรู้นะว่ามีหลายท่านบอกบอกว่าไปกัมพูชาหรือไปพมา่าไปลาวบอกผมก็เลยบอกว่ายังไม่พอหรอกถ้าท่านต้องไปอินเดียเพราะอินเดียคือต้นกำเนิดของพุทธเจ้าใช่ไฮะนะไปต้องไปเห็นที่อินเดียเลยจะเห็นการปฏิบัตินะคำสอนหรือบรรยากาศอะไรต่างๆที่มัน มันมันใช่นะนะนะมันใช่นะไปเขาคิดกรูดที่เขาขึ้นไปบนเขานะ่ไปเห็นกุฏิพุทธเจ้าอยู่บนเขานะมีภาษาลีบุตรมีพระอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยถ้าไปเขาจะบรรยายนะครับและอีกเมืองนี้ที่ต้องไปก็คือพาราณสีนะอยู่ริมแม่น้ำคงคาที่ท่านเห็นใช่ไหมฮะมีการเผาศพ อยู่ริมแม่น้ำไม่เคยดับเลยมา3000ปีแล้วนะศพต่อศพเลยเพอตายก็ต้องรอคิวเผาเพราะว่าเขาบอกว่าเผาเสร็จจะขึ้นไปหาพระเจ้าต้องมาเผาอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาตรงเมืองพาราณสีเป็นเมืองโบราณ น, นะก็ต้องไปมันห่างจากเมืองขายาประมาณร้อยกว่ากิโลแต่ก็ต้องไปเราต้องไปดูพาราณสีเพราะว่า เมืองพาราณสีมันเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูท่าน <c oughs> นะพุทธเจ้าถึงไม่ไปประกาศศาสนาที่พาราณสีเข้าไปในใจกลางเมืองไม่ได้เพราะมันเป็นแหล่งใหญ่ของฮินดูเขา <c oughs> เราต้องเคารพกันคือเราไม่ไ ม, ไม่ไม่แทรกแซงไม่ไปเบียดกันรู้ไหมครับต้องให้เกียรตินะท่านก็เลยไปที่ เมืองหรือป่าที่อยู่ใกล้ๆก้กรุงพาราณสีเนี่ยที่ท่านไปสอนเป็นบรญจาวคัครียนะนะคือไม่ได้ไปกลางเมืองนะเพราะกลางเมืองนี่จะเห็นพวกชีเพือยพวกไอ้นักบวชลทัทธิต่างๆโอ้ถ้าท่านไปเห็นบางเทศการนี่จะเห็นคนเปลยกายนะครับนะนะแต่งเขียนหน้าทานเนี่ยเป็นพันๆหมืนม่นๆคนนะลงไป ไหลลงไปอาบแม่น้ำคงคาเป็นเทศการของศาสนาฮินดูในอินเดียยังมีอยู่การทรมานตัวเองการเปือยกายเพื่อจะบูชาพระเจ้ามีทั้งเก่าทั้งใหม่ปะทะกันนะครับอินเดียท่านอินเดียนี่เป็นประเทศที่ผลิตโปรแกรมเมอร์ นัก เ, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันดับแรกต้นๆของโลกเก่งมากเขียนนะคิดค้นเทคโนโลยีในขณะเดียวกันนี่ยังบูชาถีอยู่นะคือมันมีทั้งล้าหลังแล้วก็ก้าวหน้าอยู่ด้วยกันปนกันไปหมดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกใหญ่ๆของอเมริกาของยุโรปต้องไปตั้งสัญญางานอยู่อินเดียอยู่ที่บังกลาอ นะเพื่อที่ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมเก่งน่ยอยู่อินเดียนี่จริงนะเป็นเรื่องจริงนะผมคุยกับเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นเป็นจีนแล้วบอกต้องไปจ้างนักคอมพิวเตอร์อินเะดียเขียนแต่ว่าไปผลิตเอาเอาโปรแกรมนั้นอนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เน่ยเอามาใส่ในเครื่องแล้ไปผลิตที่เกาหลีกับญี่ปุ่นและจีนเราจะเห็นว่า มือถือเนี่ยตอนนี้จีนอันดับหนึ่งของโลกแล้วจีนเกาหลีใช่ไหมครับยอดขายอันดับหนึ่งของโลกคือซ m s ซุงตอนนี้นะครับนะอันดับ1ของเกาหลีนะอันดับสองของจีนไงหัวเวยนึกอไหมครับนะหัวเวยอันดับ3ถึงมาเป็น i p h o n นะของอเมริกา นะแต่ในเมืองไทยเรานี่ท่านดูในในเว็บไซต์ไม่ในคน้นในสื่อสารไม่อันดับหนึ่งยอดมือถือตอนนี้ขายดีที่สุดคือมือถือจากจีน oppo <c oughs> แซงซั s u ุงแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะแซงไปเรื่อยๆืเทคโนโลยีของจีนจะมานะครับพอเข้ายุค 5G นี่ก็หัวเวยจะมานะฮะ 5G นี่คือการส่งข้อมูลนี่ส่งเพลงส่งอะไรหากันนี่ส่งหนังเป็นเรื่องเรื่องหากันนี่ใช้เวลาเสี้ยววินาทีเองเนงอะไหมท่านเวลาท่านส่งข้อมูลแวบเดียวนะ 5G แล้วท่านสายทอดสดนี่ไม่กระตุกเลยนะถ้าเป็น 5G <c oughs> น้าพระคุณเจ้าภาคเนยนก็ต้องรู้เท่าทันนะบางคนบอกโอ้ไม่เอาละจะมาถืออนาล็อกของเก่า นะยุค2 G แล้วนะมันไม่ได้นะท่านนะเพราะเขาจะเลิกแล้วนะถ้าเป็นแบบเก่านะส่งข้อความถึงกันบ้างแค่โทรอย่างเดียวนยี่ไม่ไม่ได้ตอนนี้มือถือเนี่ยมันทำได้มากมายนะจริงๆแล้วเราถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาเผยแผ่ธรรมะ ดีมากดีมากนะครับเพราะผมบางครั้งผมเดินทางไปสอนไปบรรยายหรือแต่ละที่บางครั้งไม่มีเวลาเนี่ยอยากจะฟังธรรมะนี่ก็เปิดจาก YouTube นะพระคุณเจ้านะของหลวงพ่อบางครั้งบันทึกไว้ของหลวงพ่อพระหมหาสุวรรณเนี่ย สำโมกนีสถานใหกล่าวอะไรบ้างในในกลุ่มที่เราประชุมเนี่ยก็แขวนไว้ในย t u b e ก็ได้ฟังล <c oughs> ือถ้าคุณเจ้าที่ที่ท่านเป็นเกจิดังๆท่านบรรยายดีเนี่ยเราก็ฟังได้เลยหลวงพ่อชายอย่างนี้นะครับพุทธธาตใช่ไหมครับนะถ้าอาจารย์สมภพหลวงพี่ภัยสารวิสาโล นะหลายหลายท่านนะบางบางคนที่ลูกศิษย์ลูกหาติดตามเฟ e b ุ o k ผมเนี่ยนะจะเห็นว่าทำไมอาจารย์ชอบลงรูปของมีมีหลวงพ่อชาหนึ่งละนะลงมีพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลนะนะ มีพุทธาธาสบ้างนะก็เลยบอกว่ามันก็แล้วแต่เราศึกษานะหรือบางครั้งก็มีรูปของหลวงพ่อพระมหาสุวรรณลงบ้างผสมกันไปนะลงไปในเฟซนะก็เป็นทางเลือกที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยลองมามาค้นดูว่าพระเหล่านี้เขาสอนยังไงเพราะพระรูปอื่นนีดังไปมากแล้วนึกไหมครับนะ ก็ลองดูพระท้องถิ่นบ้างพระทั่วๆไปบ้างนะสอนเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าท่านไปฟังหลวงพ่อชานี่เป็นพระเกจิพระอาจารย์ที่เกิดก่อนการผมว่าอย่างนั้นนะครับนะคือระบบคิดที่ท่านคิดเข้าใจหลักธรรมะนี่ในสมัยเมื่อ 40-50 ิปีก่อนเนี่ย <c oughs> คิดได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นพระอริยสงฆ์ที่เกิดก่อนการอมองไกลจนถึงยุคนี้นะฮะแล้ะยุคถัดไปก็ยังใช้ได้อยู่นะท่านเห็นไหมว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาซึ่งเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่แม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นฝรั่งอยู่ทั่วโลก เพราะอะไรอาจารย์นะก็เพราะท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากนะท่านมองว่าอีก 40-50 ปีข้างหน้าศาสนาพุทธจะต้องเป็นสากลต้องกระจายไปทั่วโลกใช่ไฮะโดยใช้ภาษาสากลก็เอาฝาหลังมาพวกที่มาร่วมสงครามเวียดนามบ้างอะไรบ้างนะ บางคนเขาสนใจศึกษาพุทธก็มาบวชแล้วก็มีล่ามแปลมามคิดดูสิท่านเวลาท่านสอนนี่ท่านต้องมีอยู่3ามคนหลวงพ่อเทศเป็นภาษาลาวใช่ไหมฮะแล้วมีพระมาแปลเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งมาแปลเป็นไทยจากไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษลำบากมากนะเมื่อ 40- ่สหปีก่อนนะที่ท่านทำวัดหนองป่าพงน า, นาชาติแต่ท่านก็ทําจน ลูกศิษย์ท่านเนี่ยเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยท่านซูเมโถเรล่ยอยู่อังตฤดใช่ไหมในสมัยก่อนเนี่ยท่านคิดดูสิฮะนะเพราะฉะนั้นนี่มีพระที่เป็นอริยสงฆ์นะฮะที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบให้เป็นแบบอย่างให้ท่านเนี่ยมากมายเนี่ยผมยกตัวอย่างอันเดียวเนาะนะหลวงพ่อของเราดีท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาทำเรื่องศูนย์เด็กนะทำเรื่องการศึกษาพัฒนามาเพราะว่าท่านมีวิสัยทัศน์เพราะการศึกษาของบุตรหลานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะท่านส่งเนนส่งผ้าไปเรียนปียนักธรรมมากมายในหลวงพ่อพระหมหาสุวรรณเพราะท่านมีวิสัยทัศน์นะว่าไปศึกษาเราเรียนระดับสูงแล้ว จะพัฒนาได้จะเติบโตท่านจะเห็นนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเปรียนหลไหลไประโยคน์จนถึงประเียนข้าวประโยชน์ก็มีเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้กำลังใจนะครับในส่วนของพระคุณเจ้านะแล้วก็สามัญณแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายนะคือผมเดินทางไปหลายนะหลายหลายที่โดยเฉพาะอินเดียหืหลายๆที่ที่เป็น พระที่นักพัฒนาจะสัมผัสนะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะที่ทำพัฒนาวัดพนมดินขึ้นมานะเพราะเราปฏิบัติทำด้วยเราออกไปรับรู้ปัญหาชาวบ้านไปพัฒนาพื้นที่บางคนอาจจะมองไม่เข้าใจหรอกอย่างหลวงพ่อชาสมัยก่อนเทศให้แม่ออกฟังเนี่ยอยู่แถวๆอุบลแม่ออกอายุ เ0บปีเนี่ยบางครั้งไม่ได้เข้าใจหลักคิดที่หลวงพ่อสอนหรอกแต่เข้าใจระดับหนึ่งว่าหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ละอบายามุขนะทำความดีละเว้นความชั่วแค่นั้นละ่ะพวกบรรดาป้าและบรรดาญาติทาสบายใจแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่เก่งๆนะฝรั่งที่มาบวชเรียนหรือพวก ปัญญาชนที่มาบวทเรียนเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนเหมือนกับลกพุทธเจ้าบอกบัวมีสีเหล่าพระคุณเจ้ารับรู้ไม่เท่ากันถ้าเป็นลูกศิษย์เอกลูกศิษย์ที่เก่งมากเนี่ยจะเข้าใจหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนหรือหลักธรรมของหลวงพ่อชาหรืออาจจะหลวงพ่อสุวรรณเวลาท่านพูดในเชิงปัญญาในบางคนไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรนะ แต่สักวันหนึ่งผ่านไปสิบยี่ปีจะเข้าใจบางครั้งมันลึกนะมันลึกมากนะลึกมากพุทธเจ้าสอนพระอนนลอยกับพุทธเจ้าจนท่านจะนิพพานแล้วยังไม่บรรลุฟังอยู่ทุกวันใช่ไหมท่านนะฟังอยู่ทุกวันนะจนสุดท้ายถึงบรรลุนะใกล้ท่านใกล้จะสิ้นแล้วถึงบรรลุใช่ไหมอยู่กับท่านมา แต่บางองค์พบกันครั้งเดียวฟังเทศครั้งเดียวบรรลุแล้วเนื่อออกไหมครับแต่ละคนเนี่ยจะมีมีการรับรู้ที่ต่างกันเหมือนกันบัวสีเราแต่พวกท่านนี่ใกล้มากที่สุดเพราะท่านปฏิบัติท่านบวชเนี่ยบวชอยู่กับการปฏิบัติทุกวันการหลุดพ้นท่านใกล้มากกว่าคนที่เป็นญาติโยมที่ต้องไปทำมาหากินอยู่เวียนไหวตายเกิด ในกองคิเลสตัณหาเนี่ยท่า น, นยอยู่ในรักนาวาอยู่ในนาวาบุญที่ท่านใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเข้าถึงบุญใหญ่แล้วธรรมะใหญ่แล้วอย่างยุทธเจ้าได้สอนนะครับเนะพราะนั้นเนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ที่มามาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะไปในแนวทางนี้จะถูกแล้วนะท่านนะถึงแม้ในอนาคตท่านจะสึกไปท่านก็มาเป็นคนดีของสังคม <c oughs> เหมือนอาจารย์ชมพูเนี่ย เหมือนหลายๆคนเนี่ยศึกมาก็ทำงานสุจริตนั่นแหละครับคนที่บวชเรียนเป็นคนสุขมาก่อนก็จะรู้จักยับยั้งชั่งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเจริญก้าวหน้าเป็นสิริมงคลนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ได้อะไรมามากนะในสมัยก่อนนี่ตอนผมบวชเรียนนี่ผมตอนจบมหาวิเลยเนี่ยผมตะเวนไปตาม ส ำ, สำนักพระ อ, อาจารย์ต่างๆในแถ ว, แถวอีสานนี่แหละนะตะเวนไปเพื่อไปฝึกสมาธิไปฝึกจากพระครูบาอาจารย์หลายๆที่นะครับก็ได้หลักธรรมมานะครับในการดำรงตนนะพอมาทำงานเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์นี่ก็จะทำให้ผมเนี่ยไ ม, ไม่ได้ทิ้งพุทธศาสนาแล้วผมก็มาพัฒนาวัดมาร่วมพัฒนาชุมชนพี่น้องตลอด นะครับตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มานะครับนะร่วมกับบรรดาเครือข่ายเนี่ยคุณกัางวาลคุณจ่าชมพูและหลายๆคนนะครับเพราะนั้นอยากจะอยากจะฝากไว้นะท่านมีโอกาสดีมากที่มาสัมผัสหลวงพ่อพระมหาสุวรรณหลวงพี่แสงจันทร์นะแล้วก็มาสัมผัสพุทธศาสนานะครับนะซึ่งเป็นถือว่าเรามา ได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราปฏิบัตินะอย่างเต็มที่ก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่วความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขนะครับไปในหนทางที่ดีที่งามนะคือเป้าหมายเราก็คงจะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นแต่ว่าจะไปได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความมุ่งมั่นของของของแต่ละคนนะครับ ก็คงจะได้มาแลกเปลี่ยนได้มาพบปะ ก, กับพี่น้องนะแล้วก็ในส่วนของพระคุณเจ้านะครับนะพระเดชพระคุณเจ้าทั้งหลายรวมทั้งญาติธรรมนะครับแล้วก็ขออารัธนาบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อพระมหาสุวรรณรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรวมทั้งพระพุธพะทธธรรมพระสง ให้ทุกท่านได้บรรลุธรรมตามที่ท่านหวังทุกประการครับสาธุอันนะนีมนนะมนท่านหลวงพ่อ สาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุหาึ่งอันนั้นบอกว่าท่านอาจารย์ดรเนรันกุณธานันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบุริรัมวันนี้ก็มาท่าน คุณโวาลวงวัฒนสุพลท่านมหาชุมพูอิสรยาวันเปลี่ยนธรรมเจตประโยคปัญญาโทสูงกว่าหลวงพอ่อสูงกว่าความรู้สูงกว่าหลวงพ่อมหาสุวรรณอืมพูดประวัตินิดหนึ่งสมัยมหาชุมพู เป็นพระลวมพอ่อก็เป็นพระปริยัตินเทศจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีพระมหาชมภูพระมหามานพรุ่นเปลี่ยนธรรมเจตประโยชน์นิจินเปลี่ยนธรรมเจตประโยชน์เป็นนับปราร์ทำงานด้วยกันเมื่อกี้ท่าน อาจารย์ว่าเกี่ยวข้องกับพื้นแผ่นดินพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะตำบลสูงเนินอาตามาพูดตรงๆก็คือว่ามีความรัรบเคารพนับถืออาจารย์กับครอบครัวกับคณะมาเป็นเวลายาวนาน ญาติโยมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดเริ่มตั้งศูนย์อบรมได้ก่อนเกณฑก็อาจารย์นี่ทั้งสามคนนี่แหละทั้งสามท่านเนี่ยเป็นคนดำเนินงานดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสิบระวางพุทธศศ ร, ราศสองัหราม2536 อาตมาพระได้รับมอบหมายจากจ้กะจัวัดบ ร, ริรัมเ <c oughs> จ้าคณะจวัดบ ร, ริรัมให้พระมหาสุวัณนาคสุวัลโนเปลี่ยนตาม้าประโยคพระประหยัินิเทศจังหวัดบ ร, ริรัมเดินทางไปประชุมที่ภาใต้ที่วัดในหลวง ในวังกอตุนบัดในวังจังหวัดสงขลาก็ติดเขตแดนของประเทศมาเลเซียช่วงนั้นก็นายชวนอีัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีการประชุมพกวันเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยสรุปมาก็คือ ถ้าพระคุณเจ้าทุกวัดทั่วไทยมีความเลื่อมใสหวังที่จะทำรองไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้ชาวไทยชาวพุทธชาวบ้านมีความศรัทธาท่าสามา จัดตั้งสูนบรมเด็กก่อนเกณได้ก็ในหมดประชุมหกวันนียมีการสรุปมาก็คือเด็กไทยในอนาคตจะไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอาตมากับคณะของพระมหาชมภูพระมามานลไประชุมกัน ช่วงสุดท้ายสรุปมาทั้งหมดก็คือการให้พระสงฆ์ได้เกี่ยวข้องกับการจัดสูนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เ, เวลาที่จะปิดประชุมก็ประธานประชุมนายชวนดทธภ์ยนศายกรัฐมนตรีก็เสนอที่ประชุมช่วงสุดท้ายว่า จะปิดประชุมวันนี้มีท่านผู้ใดคิดอะไรหรือว่าสงสัยอะไรที่จะฝากที่ประชุมอีกไหมคนประชุมประมาณพันกว่าไม่มีคนยกมือเพราช่วงสุดท้ายอาจคิดว่าจะกลับบ้านไม่มีคนยกมือจะมาก็เลยยกมืออันนี้เพิ่งพูดวันนี้นะ ยกมือคนเดียวองเดียวนายชวนถามมาองที่ยกมือนั้นคือใครเขาบอกว่าพระมหาสุวันนาทัสบรลโนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมยกมือเรื่องอะไรคิดอย่างไรอาตมาเลยยืนแล้วก็ตอบมาเจริญพร ท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีมีอันหนึ่งที่อยากจะฝากคือพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะพระครูท่านเจ้าคุณท่านจะมีนิตยภัพจากในหลวงจาก ร, รัฐบาลอุปถัมภ์ท่านแต่มีเจ้า ว, วาดบางองค์นี่เป็นพระเจ้า ว, วาด งานหนักมากกว่าพระมากกว่าพระพระครูแต่ท่านทำงานมากว่าอาตมานึกว่าถ้าจะมีนิทยรพัดถวายท่านด้วยยิ่งมีกำลังใจในการบริหารเพิ่มกำลังจิตกำลังใจให้ท่าน ถ้ามีนิตยภัตถ์ไหวเจ้าวาดทั่วประเทศไทยก็จะมีความสําคัญมากในงานเผยแผพ่พระพุทธศาสนานายชวนจึงยกมือว่ามีใครขัดค้านบ้างไหมที่ประชุมนี้ไม่มีใครขัดค้านถ้าใครขัดค้านให้ยกมือไม่มีใครยกมือถ้าไม่ยก มือแสดงว่ายังไงแสดงว่าเห็นด้วยใช่ไหมภาพเห็นด้วยเห็นด้วย <c oughs> เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยลองยกมือยกมือบางคนก็ยกสองสองมือก็มี <c oughs> หมดเลยตกลองก็คือเสนอผ่านรัฐบาล ไปยังมหาเทรสมาคมทานมหาเทวสมาคมไปยังรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีนิตยภั์ถวายแก่เจ้าวาดทั่วประเทศไทยกลับมาได้ประมาณสามเดือนก็เจ้าหน้าที่ออกสำรวจวัดทั่วประเทศไทยให้เจ้าวาดมี เนติยาพัทพูดตรงๆก็คือให้มีเงินเดือนถวายท่านเนี่ึงฝากพูดวันนี้อนโมรธนาเห็นอาจารย์มาก็เลยได้ใจไปใหญ่พูดเยอะไปหน่อย <c oughs> ก็มีกำลังใจที่มีคนใหญ่สนับสนุนให้งานเดินนะครับ วันนี้จึงขออนุมัติาอาจารย์งานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อาจารย์จะมาเกี่ยวข้องตลอดบางครั้งเราคิดไม่ออกอาจารย์จะมาพูดคุยเสนอเนี่ยนะให้เราไปมีความ เกี่ยวข้องมีบทบาทในการออกความคิดความเห็นด้วยจึงวันนี้พูดให้พี่น้องทุกคนในรัฐทภาให้พี่น้องรักสภารับความรับให้ความเคารพความนับถือท่านอาจารย์ดรวีรานวยทั้งสามคนทั้งสามท่านลองตบมืออีกครั้งหนึ่งพี่น้องทุกคนครับสาธุ สาธุตบมืให้โชคดีให้อาจารย์มีสุขภาพดีอาจารย์นิรันด์มีสุขภาพดีอาจารย์ชมพูสุขภาพดีคุณโยมกังวานมีสุขภาพดีพูดมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนบางเจัดเธอเองสมบายเป็นนะพูดเรื่องวัดใหม่วัดนี้แหละ สร้างวัดใหม่ที่รวดเร็วเพราะท่างเหล่านี้อยู่เบื้องหลังตลอดแล้วก็เดินด้วยหลวงพ่อไม่ค่อยเดินหรอกทางตำบลํำเภอนี่คุณโยมกำนันพินก็เดินด้วยแต่คนที่เดินมากที่สุดคือท่านเหล่านี้ และคุณโยมกังวานเป็นคนเดินรุกไปด้านไหนตอนนี้ผ่านกระบวนการหมดแล้ววัดพนมดินสวรรนารามเนี่ยอยู่ในในอะไรนะโคตรเจบ้างเต้นน้อเธอเองสมบัติเจ้าถามว่าทำไมจึงเร็วมากนะ เพราะคนมีการศึกษารู้จักมีเพื่อนมีคนให้ความสนับสนุนมีคนใหญ่ให้ความสนับสนุนให้การตอนรับให้ความสะดวก น, นะครับถ้าพูดตามธรรมดาษ เออจำชะนามก้อยจำได้เรื่องเธอว่าไอ้แตรมแต ร, ตรมารยชะน้เตียนบ้านทบ้านทีนวลเหมนล้ามเจ้าลงพอ่อมาสวรรค์เนี่ยมาอยู่บัดตะครงต้สองไั้ยสห้า เป็นทุกอย่างทำทุกอย่างแต่เป็นวัดเถื่อนตลอดเวลไปที่ไหนเขาว่ามหาสวัสด์วัดเจ้าวัดเถื่อนเจ้าคณะตะบนเถื่อนอุปชาเถื่อน โ, อโคตสมองคำจังนะงานบางครั้งไม่อยากเข้า ทางทางที่ระดับจังหวัดอำเภอประเทศเนี่ยส่วนมากจะรู้จักมาสวรรค์แต่ทำวัดไม่าด้ทำวัดให้ถูกไม่นา <t> ้จึมาตัดสินใจทำตรงนี้ฝากให้พี่น้องทุกคนรักสรางรับเขา <t> ้าใจบางที่โยมอเอาสตามาตามามไม่สร้างเก็บไว้โยมก็ทำเด็กเยอเ ต, อตล่าเทือกใจมดทุ ใจสำหรับตัวยืนโยมขอนไขยเก็บตุกตันรวมตัวไม่พูดบางอย่างไม่พูดนี่พูดตรงๆพูดกับอาจารย์ชมพูเลยโยมกำบางเลยดับท่านอาจารย์เลยนโยบายบางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ได้พูดให้คนฟังไม่ได้ ถ้าเป็นนักปราจริงๆเป็นบันิตจริงๆคิดลึกลๆพูดออกไม่ได้ตอนที่ตั้งโรงเรียนประถมเนี่ยธารมาไม่บอกตั้งสถานเีนาให ม, มา่ไม่บอกตั้งสำนักงานองค์การตรหารสุนตบรบดุลย์ไม่บอก บางคนคิดว่าโอ้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาเงินไปใช้หมดเลยพระมาาสวันใช้เงินปลูกมากเ่ยนี่ถ้าจำโยมโยสตางค์อ่อยเนี่ยไม่ได้เลยตติสนาบาลโยมกลางวันจบ ลำบากดำนาที่ทุยืางอยตามล้นเองลำข้นไน่ารักตูออ้เดียวจะเลยนี่เรื่องบานจับเืนคนเจะฝากพี่น้องทุกคนเพียงแผนเนอร์สมอกคุณอาจารย์อาจารย์มาเยี่ยมเรียนโดยความหวังแล้วก็ได้รับเกียรติยามมากๆอย่างยิ่งนะครับ วันนี้ก็เป็นวันทีแปวันพรุ่งนี้ก็จะมีการ เ, เทศสังขัยนาช่วงบ่ายโมงคือเห็นว่างานนี้เป็นงานยายจาเลยจัดเทศสังขัยนาเมือนการร้อยกรองระบบเมื่อนอาจารย์พูดบีประวัติของพระพุทธศาสนานะครับ ที่พูดมาตรงนี้ก็เวดมาถึงเรื่องอินเดียเมื่อนอาจารย์พูดเมื่อกี้ถ้าพี่น้องทุกคนทำพาสปอร์ตเห้ร้อยนะสะสมเงินบ้างจะชวนรรมาจะชวนบินไปกราบพระพุทธศาสนาก็กราบพระพุทธองค์นะครับโยนจะมีความซึงในน้ำใจ บินจากสุวรรณภูมิไปที่กากาตตาขึ้นไปจากเมืองกาลาตตาไปลงท่าอากาศยานที่เมืองพาราณสีโคศ บ, บนเครื่องบินเขาบเครื่องบินรอนจะลงที่สนามบินท่าอากาศยานพาราณสีให้พี่น้องทุกคน ผู้ดโดยสารทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอะครืองบินจะลงปั๊บโอ้นุกคคยสมัยเรียนหนังสืออาทิตภาราณสรียางอะไรมาชมพูว่าไง <c oughs> สมัยโนดพระเจ้าภาราณสีปกครองเมืองพาพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองภาราณสีเห็นบมดเลย เกิดความเรื่อมใสชัดเจนไม่ต้องอธิบาลไม่ต้องเรียนก็ได้เรียนหนังสือประมัติศาสตราสนหมอต้นเจิญเจริลเอาพูดแค่นี้น้อขอพคุณอาจารย์ขอเวทไทยให้พรอาจารย์ทั้งสามท่านด้วยเฉพาะก็ท่านสัตร์ประจานด็อกเตอร์นิรันเป็นหัวจาบ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดี <c oughs> เป็นหัวใจ <c oughs> เป็นมันสมองของมหาวิทยาลัย <c oughs> เป็นมันสมองของพื้นที่ตรงนี้ด้วย <c oughs> เป็นมันสมองแก่อาตมาด้วย <c oughs> ขอให้อาจารย์อายุพรรษาสุขพละทั้งสามท่านและพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานจะภาคทุกท่านมีสุขภาพเจริญด้วย สิ่งที่ต้องปรานาทุกท่านเธอหลองพ่อมาให้พรต่อท้ายแล้วก็จะมอบของระลึกและของระทึกให้กับขญยอมอาจารย์ด้วยนคือเชิญเชิญขญยอม อ, จ า, ย อ, อาจารย์ก็เชิญสัตวประจานตเกินในงานกุฎานา รับเนิ่องจากท่านรวมทาบุญด้วยวันนี้สร้างเข้าเข้ากองทุนสร้างอุโบสถไปอนุโมทนาก็เลยได้มอบพยายานแล้วก็ไปลอตเตอรี่ไปรุ่นเขาเองไม่รู้ว่าเบอร์อะไรอกสาทุ่พร้อมกันครับสาธุ้รได้ยุคลานกรมถวายมณฑอสักลนครอาเชิญโยมกำวามวงวัชรนครสคนับ ภยันศึกษาหนึ่งเชิญจริญนรนาฮะอาจารย์ขุยอนอาจารย์ชมพู่รับภยันด้วยทั้งหมดนี้เป็นกำลังสำคัญ นับถือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือทุกอย่างสสามงานหลายรูปแบบแล้วก็เกี่ยวกับองค์กรกองทุนอะไรต่างๆทันจะอยู่เบื้องหลังช่วยประสานทางส่วนกลางกับคอนมราทน า, านอญจารย์ด ร, รกุลธันยแล้วก็คณะอาจารย์ชมพูแล้วก็คุณโยมกำวังกลับมี แล้วท่านยังเป็นห่วงพระเป็นห่วงพุทธศาสนาเลยมาปราบที่จัดสร้างห้องสมุดที่จะเผยแพร่หลักคำเผยแพรความรู้ที่ท่านมีจะมีห้องสมุดอุตตรตนิรนดร์คุณพระดำเ น, นอยู่ที่วัดโพธิ์ถนนทั้งด้านหลัง น, นะครับจะมีติดป้ายอยู่นะครับมีโอกาสประมาณไม่กี่ปีนี่แหละนะครับจากสมบูรณ์แบบท่านสามารถเข้าไปเซิร์ จะมีคอมพิวเตอร์จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่จะมีหนังสือวิชาการตั้งอยู่นะครับจะมีหนังสือวิชาการตั้งอยู่นักที่ที่ตรงนั้นด้วยจะมีเครื่องปริ้นเรียกได้ว่าใครจะไปค้นข้อมูลอะไรเอาเลยฟรี wifi ให้ใช้เรียบร้อย เน็มมันติดชอบอยากกลับบ้านเวลาบอกใครจะกลับบ้านยกมือครึ่งเลยอ่ะโอเคสองลูปรูปไหนที่มองแล้วตาดำๆมันจะเปีเปลียนบางทีมันวิเศษหรอกพอเห็นผมมาเหมือนกับหมดแรงพอไปเจอหายาไม่รู้ไปไหนไม่อยู่ห้องเพราะว่าให้โอกาสถึงที่ตอนนี้เนมสอบเสร็จแล้ว ผงไม่บังคับแต่ช่วงเรียนเนี่ยให้เล่นอยู่แต่ว่าต้องแปรได้ต้องพ้องได้คือกติกาว่าไปตามกติกาท่านอยากเล่นท่านก็ต้องท้องได้ด้วย้องให้ได้ตอนนี้นะกำหนดเลยถ้าท่านพ้องได้เล่นเลยลำสบายแล้วก็มีข้อเท็จฝากนิดหนึ่งนะครับทุกรูปก่อนจะเจบเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กก็ตาม ก็ตามหรือวาอะไรต่างๆมมาช่นเป็นที่เป็นาผมกรู้นะครับ้วมัีการ่นงานดีมากเลยครับงนั้นาพถ่ายรูปตัวนี้อาจจะเป็นตวจมยันเป็นคนเป็นต้เป็นชาวต้มบนขาวเป็นทุกอยางที่นงานของผมจะต้องเล่บบของคน อย่างรวมไปจนที่เห็นที่สร้างอยู่ที่ทำาย่นั้น e ะเป็นทุนะครับต้องไาดสำคัญทุ่ใครจะเชื่อมเชื่อครับาดสำคัญไป